การฟังที่ให้เกิดประโยชน์ฝนะัฟังไปแล้วก็ฝึกไปด้วยนะปึกไปด้ว ย, วยตัวอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของชีวิตเราก็จะรู้จักว่าปัญหาของชีวิตมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือร่างกายอีกส่วนหนึ่งคือส่วนจิตใจแลวปัญหาของชีวิตนี้ ส่วนไหนแก้ไขได้ส่วนไหนแก้ไขไม่ได้ได้แต่บรรเทาไปก็จะได้บสรุปว่าส่วนร่างกายทั้งหมดเนี่ยแก้ไขไม่ได้ได้แต่บรรเทาไปจนวันตายมันไม่สามารถฟื้นฟูให้อีกวันนี้ไปได้แล้วส่วนกระหาของจิตใจเนี่ยมัน แล้วก็บอกว่าวิธีแก้ปัญหาของจิตใจมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้ความคิดในการแก้คอยยิงแก้ยิงยุบยิงแก้ยิงวุ่นอีกกลุ่มหนึ่งการใช้ความใจรู้ ที่แกขาย การแก้คือต้องใช้สภาวะขนาดนี้เป็นหลักเพื่อว่าเอาปัจจุบันเป็นหลักเอาปัจจุบันที่เกิดขึ้นขณะเดียวแล้วก็ดัไปเป็นหลักไม่เอาอดีต อ, าอานาคตแต่เอาอดีตอนาคตจะเป็นสภาวะการส่งเสริมความคิดไม่ใช่ส่งเสริมตัวผู้รู้ผู้ดูนไม่ใช่ส่งเสริมตัวรู้สึกตัวไม่ส่งเสริมตัวคิดเช้านี้ก็จะให้ ที่พวกเราอยังสบส น, สนกับการฝึกอยู่ยังสับสนอยู่กับการฝึกจใจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบรูปแบบเพราะว่าบางครั้งเราจะไม่เข้าใจแล้วเวลาเราทำไปมันจะเกิดภาวะดังลี ี่จะเอาเห็นไหนเนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์ก็แนะนําอย่างนี้เดี๋ยวนี้อาจารย์ก็เนะนําอย่างนี้แล้วจะเอาอย่างไรกันแน่ดิไปเชื่อสนับนูคนก็แนะนําอย่างนี้เชื่สนับดีก็นะนําอย่างนั้นไปสนับดูเขาไหวของเขาดีมาสมัยนี้เขาที่ก็ดีมันจะเกิดสับสนมากเลยนะอย่างไปเชียงคำแบบลุยไปเลย เดินเดินเดิเดินเดหรือมันก็ใส่แบบยาวๆไปเลยเอามา น, นี้ทำไมเดี๋ยให้เปลี่ยนเดี๋ยให้เปลี่ยนเยวใหเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงมันจะอ่อนเองไหมมันจะไม่เขี่ยแข็งเป็นมุมอะไรนมันจะทําเล่นลมันจะแตกอะไรอะไรประมาณนั้นเพื่อเพื่อให้พวกเราได้ได้เข้าใจยังมันชัดเจนรูปแบบถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบพวกมันชัดๆเลยเราจะรู้จักเป้ง เป้ามายของเรยจะทำอะไรแล้วมันจะไปทำอะไรแล้วมันจะไปทะเลาะกับใครทีทำอะไรทำแบบไหนทำยังไงสามารถทำได้หมดเลยถ้ามันมันเข้าใจก็พยายามจะใช้ภาษาที่มันง่ายที่สุดเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจกับมัน แมันจะได้ง่ายๆต่อการไปใช้ชีวิตมันจะไม่ได้อยู่เฉพาะในวัดอยู่ในเฉพาะของการปฏิบัติในรูปแบบได้แบบหนึง่งแต่มันจะมีแบบเฉพาะตัวเข้ามันเองงั้นก็ว่ารูปแบบเราต้องเข้าใจความหมายของมันก่อนนะรูปแบบนี่มันจะมีมีสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเป็นรูปแบบที่คนสร้างขึ้นมาคนสร้าง สร้างขึ้นมาหรือไม่จะ่สัตว์ปากมจะสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบของธรรมชาติธรรมชาติสร้างขึ้นมาธรรมชาติก็จะสร้างก็กขึ้นมาอยนนี้สองกลุ่มให ญ, ใหญ่แต่มันจ ะ, นะน ม, มีลักษณะเลยกันคำว่ารูปแบบนี็คือเข้าใจง่าง น, นคือขับวยกัน กระบวนการมีการทําสิ่งนั้นซ้ำๆให้เกิดขึ้นมาอีกเพื่อกระบวนการทําซ้ำํำอย่างเช่นกระบวนการทําซ้ําของคนเทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันมีรูปแบบในตัวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างหลอดไฟอย่างพัดลมอย่างเนี้มันจะทําให้มันเป็นตัวเดิมมันทํารูปแบบพันธมตัวนี้ มาจิ้หอยขึ้นมาแล้วก็ทําให้ลมเป็น ล, ล้านๆเป็นเหมือนเหือนชิ้ น, ห, น, ห, นหรือรูปแบบของโทรศัพท์ในการทํางานก็มันมีฟังก์ชันทํางานแบบหน้าที่การทํางานก็ ม, นมันเป็นแบบนี้นแบบนี้นมีฟังก์ชันพิเศษขึ้นมาแล้วก็ทําโทรศัพท์ก็มันเป็นล้านเครื่องหรือแม้แต่ชั้งหน้าเราจะน้่อย่างเงี้ยรูปแบบอาซซานะนี่ก็ตูกสร้างขึ้นมาหรือรูปแบบกระเบือ้อ เรื่องปูพื้นที่มีเรื่องออนไลน์แบบนี้เป็นกระบวนการทำซ้าก็จะสร้างแบบพิมพ์ขึ้นมาอันนึงแล้วก็ปั๊มมันออกมาปั๊มมันออกม า, ปม า, ปมาเป็นล้านล้ชิ้นะทุกอย่างของเราทั้งหมดที่เราอยู่ยมันมีรูปแบบขึ้นมาทั้ที่คนสร้างขึ้นมนะาแม้แต่รูปแบบกรรมฐานรูปแบบกรรมฐาน มันก็ถูกก็ถูกสร้างขึ้นมาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านใช้วิธีการภาวนาแบบเนี้แล้วทําได้ผลแต่ไม่รู้นะเราใช้เราจะได้ผลหรือเปล่าเราก็เช่นใช้ได้ผลแต่เราไม่ได้ผลหรือเปล่าอาจจะได้ผลบา้างแต่ได้ผลถึงที่สุดหรือเปล่าฉะนั้นอย่างพุทโธเนี่ยก็มีรูปแบบครูบาอาจารย์ที่ทําขึ้นมาแล้วก็ให้พวกเราได้ฝึกแต่มันก็เหมือนกันคือกระบวนการ อยู่เรื่อยเรเรื่องบนการทำซ้ำเล็กน้อยยกน้อยยันนอยเยียบนอยกน้อยยันนอยเยียบนอจะใส่คำพอดีคำว่านอไปทุกอย่างยกน้อยยันน้อยเยียบนอขยน้อยยันน้อยยิ่งนออะไรก็ใส่ไปนี่คือือบนการทำซ้ำในการที่จะฝึกฝึกทาซ้าซ้ำบ่อยๆเรื่อยยืดตัวรูมหายใจ ก็ฝึกดูตรงไหนใจเข้าไหนใจออกไห้ใจเข้าเกิดขึ้นไหยใจเข้าดับไปให้ใจออกเกิดขึ้นไหนใจออกดับไปก็ฝึกรูก้หรือจะมีอีกเยอะแยะมากมายอย่างธรรมกายก็เป็นตัวแก้วเคยหรือบางที่จะมีสมาธิหมนุนเยอะแยะจะมีสมาธิหมนุนก็มี แล้วก็จะมีคนผลิตอีกย้ำพม้าอย่างนี้มีหลายวิธีแต่มาเคยไปเจอวิธีหายใจฝึกลมหายใจยังไงดันลมหายใจแรงกระทอมกระแทกกระแทกกระแทกเข้าไปปั๊มลมหายใจสั่งเสียงเตือนเจ็บปวดเผาส่งกัรนี่ของจิตผมทําทําำทำทำทำเข้าจิตมันจะทิ้งเรื่องราวต่างๆ่ทิ้งความคิดต่างๆกลับมาดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจ ก็มีนะเลยปีเจ็ดนี้จะมีวิธีแบรูปแบบอีกที่เขาคนไดคิดค้นขึ้นมาบางทีบางองค์ก็ได้ผลบางองค์ก็ไม่ได้ผลอย่างเราสร้างจังหวะเตือนจุกงสิบสี่จังหวะเนี้ที่จริงมาจากเ้ามาจริงๆรูปแบบต่างๆที่ต้องทาบางทีเข้ามาจากเข้ามาเอามาจากเอามาทํารูปแบบสิบสีจังหวะอย่างวมาเทียนที่นั่นทำ จริงๆก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาก่อนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็รู้ว่าท่ทานทำแล้วท่านเห็นผลจากมันท่านก็มาทำมาเผยแผ่มาเผยแผ่ที่มาสอดคล้องกับคนในยุค ป, ปัจจุบันก็เกิดการขยายผลขึ้นมาขยายผลขึ้นมาให้มีรูปแบบเข้ามาสู่ในเมืองไทยแต่บางวิธีเขาได้ผลแต่เขาขยาย ก็หลับไปก็สูงไปอันนี้รูปแบบกรรมฐานที่นาาั้นไม่ใช่เรื่องแปลกให้เข้าใจว่าทั้งหมดนั่นคือกระบวนการฝึกซ้ำนะอย่างสิจังหวะมันจบไปแล้วแล้วมาทำใหม่อย่างวิธีธรรมเสียงคือวิธีการสร้างจังหวะก็คือไม่มีคําบริกรมรมใดๆทั้สงสิ้นไม่มีคําพูดใดๆทั้งสิ้นรู้สภาวะมันโดยตรงเคลื่อนรู้อยู่รู้ เคลื่อนรู้หยุดรู้นี่อันนใช้การเคลื่อนไหวเป็นตัวเป็นตัวฝึกให้เกิดการรู้ขึ้นมาพอจบสิบสี่แล้วก็ทําใหม่เดินจงคมกลับไปกลับมาประมาณสักสั่นใหญเกินห้าเก้ายาวใหญเกินสิบห้าเก้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปรู้มันกับการเดินอย่างนี้แต่ไม่หลับตา แต่ม่นั่ง น, นี้แล้วก็มีคําบริกรรมรับรูไปอันนี้ก็เป็นรูปแบบแล้วเราก็าาทําซ้ำทีนี้นี่คือกลุ่มที่กลุ่มที่คนสร้างขึ้นมานะมนุษย์สร้างขึ้นมาและอ้กลกุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทุกแบบที่ธรรมชาติสร้างนีธรรมชาติสร้างเขาเรียกว่าระบบของพันทุกรรม หรอเขยกวาระบบก้อนสายพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เราไม่ได้ไปทํามันนะธรรมชาติมันทําขึ้นมาอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยมะม่วงเนี่ยถ้าเราเอาลูกมะม่วงหรือไม่มะม่วงไปปลูกที่ไหนที่ไหนก็จะเป็นมะม่วงใครไปทําให้มันไม่ธรรมชาติมันมีมันมีสายพันธุ์มันมีพันธุกรรม ที่มันจะเกิดเป็นรูปแบบเนี้ยที่ธรรมชาติมันจ่อโจงรูปแบบขอมันไม่แล้วอ่ะถ้าเอาไม่ดมะม่งไปปูกมันก็เป็นมะม่วงนอกจากปัจจุบันนี้ก็จะมีการตัดต่อพันธุกรรมเข้าไปแทรกแทงกกันมันไม่จะเปลีเปลีนเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เอามาปลูกแล้วก็เกิดอีกหรือบางทีก็ทําให้มันเกิดมาปลูกอีกก็ไม่ให้มันเกิดวันนี้ที่เกิดอันตรายมาก ต่อไปจะเกิดอันตรายมากเพราะว่ามันจะเป็นแล้นะักษณะจะร่วมกิจการทั้งหมดต่อไปใครจะปลูกอะไรต้องมาซื้อที่ฉันทําไมซื้อที่ฉันไม่มีสิทธิ์ได้กินได้ปลูกได้เกิดแต่ในระบบธรรมชาติมันจะเกิดตัวเองะหรือไม่แต่สัตว์สังเกตดูสิสัตว์แต่ละตัวหมาใไหมันจะมีรูปแบบทั้งหมนข้อมันไม่ว่าจะเป็นฟ้า ใชมาตัวต่งมาต่างประเทศหรือหมาที่ไหนก็ไ่้แล้วก็จะมีรูปแบบของมันสายพันธุ์ลักษณะท่าทา ง, ทางรูปร่างเข้ามันจะเป็นเอกจะเป็นลนักษณะใหม่หรือวม้จะเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นนกเป็ น, น, ปนอะไรก็ได้ก็ใช่ที่มันเป็นโดยธรรมชาติของมันเป็นรูปแบบนี่คือรูปแบบภายนอกที่เราเห็นได้ชัดๆที่ว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาหรือไม่แต่ตัวเราตัวเราที่ ม่ใพ่อกับแม่สร้างต้ออกไหพ่อกับแม่เป็นเจ็ดสิ่งอะไรก็แต่ธรรมชาติจะสร้างครับสร้างแขนสร้างขาสร้างลักษณะของมันสร้างลักษณะของมันให้มันเป็นรูปร่างจากการได้ผสมพันธุ์แล้วก็จะเกิดการเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นโครงสร้างอันนี้โครงสร้างเข้ามาอยู่ในตัวมันจะทําทําทําขึ้นมาหลักการเกิด ลวกจะมีอยู่สอย่างหนึ่งเกิดในในคั น, นเกิดในคันนี่พันธุกรรมในกลุ่ม ก, การที่ทาให้เกิดในคันเป็นกลุ่มนีพวกสัตว์ต่างๆที่เกิดในคันเช่นโคเช่นวัวเช่นเช่นคนเช่นช้างเช่นมา้าอะไรพวกนี้หกลุ่มนี้ อาศัยคันเป็นตัวพอสร้างรูปร่างขึ้นอีกคลู่มหนึ่งเกิดในไข่เกิดีนไข่ต้องมีเป็นไข่มาก่อนแล้วค่อยออกมาเป็นตัวเป็ดไก่นกตัวนี้จะเป็นเกิดในไข่อันต่อมา การนั้นก็เกิดอคุบาจิกครับพุทเกิดขึ้นทันทีในธรรมชาติก็จะสร้างสรรค์เอาไว้สร้างสรรค์เอาไว้มีการเกิดแต่ละแต่ละภพแต่ละภูมิแต่ละวิธีการเนี่ยอันนี้ไม่มีใครทานะธรรมชาติทำขึ้นมาจนกว่าบางครั้งสายพันธุ์บางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันสูญพันธุ์ไปบางีคือคนการทําลายของคนทําให้สายพันธุ์ต่างๆบางทีหายไปแล้ว จะต้องมีการอนุรับอนุอนุรับกฎนรูปรักษาไว้เพื่อไม่ให้สายพันธุ์นั้นหายไปแต่บางอย่างก็ถูกทําลายไปจนหมดแล้หายไปหรือ บ, บางอย่างก็กำลังเกิดขึ้นมาใหม่มนี่เรียกว่าธรรมชาติสร้างมันก็เลยเป็นกระบวนการทําสซ้ำแต่ธรรมชาติที่สร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาที่มันน่าศึกษาคือรูปแบบขอ้ขอมูล รูปแบบของการมาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษารูปแบบของอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยตั้งกิดีเวลาเราเราเรียนรู้อะไรต่างตั้งกติตัวเวลาเรากระทบต่างก็ทุบรูปกายก็ะทบเสียงใจงก็ะทบกลิก่นที่จะทบรสกายกระทบสัมผัสนี่มันจะสร้างอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวให้โลดเดี๋ยวให้โกรธเดี๋ยวให้หลงเดี๋ยวให้อยากเดี๋ยวให้ยึด อย่าให้ชอบอย่าให้ชัอนอย่าให้เบื่ออย่าให้เสงีย่าให้อึดอัดอย่าให้โลภอย่าให้โกรธอย่าให้สงบอย่าให้ฟุ้งซ่านอันเนี่ยมันเป็นรูปแบบของอารมณ์ที่มันจะมีเอกลักษณ์เข้ามันที่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนใครแต่มันมีเอกลักษณ์เข้ามันในตัวมันเป็นรูปแบบของอารมณ์ ภ, ภายในของเราเองเลองดูดีๆสิเวลาเราทํา ดูกระบวนการในตัวเกิดซอย่างโกรมันก็มีรูปแบบขึมาก да. ีีกีมันจะเหมือนเดิมนะเวลาเราพอใจอะไรสกี่ีกีีจะเหมือนเดิมนะเวลเาพรสมันจะเหมือนเดิมนะเวลาเราพอใจกก่ีมันจะเมือนเดิมวลาเาพอใจอรสักี่ีกี่ีม ja ันจะเหมือนเดิมนะเวลาเราพออะี่ทีกี่ทีเหมือเิเวาเพอกี่ทีมันมนวาเจกีีกีนจะเหมือนเดิมนะเวลาเรี่ทกันเมดิน อีก ท, ทีง่วงตาอ่านจากเดิมไหมด้วยตา ง, ง่วงมากพวกน้อยอย่างชี้เกียรเนี้ยดูมารู้จักคนะที่เกียร์ตรงนี้ยมันจะแสดงออกมามันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันเช่นเราสังเกตดูเวลามันเกิดขึ้นมากับเรามันจะเป็นรูปแบบของอารมณ์ที่มันธรรมชาติมันสร้างให้คนเนี่ยรู้สึกเี่ยมันเหมือนกับสร้างธรรมชาติของ รถทุกรถที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยที่คนไม่ได้สร้างขึ้นมาที่อย่างรถกล้วยรถมะละกอนี่รถผลัง่งรถแอปเปลิลรถสตรอเบอรี่รถอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเยกว่าธรรมชาติเขาสร้างรถของเขาเองให้มันมีรสชาติแต่ก็สร้างรูปแบบของรูปต่างๆขึ้นมารูปแบบของใบไม้ รูปแบบของสีต่างๆที่เกิดขึ้นมาทำใมชาติก็สร้างขึ้นส่วนหนึ่งคนก็สร้างขึ้นส่วนหนึ่งหรือรูปแบบของเสียงยังก็จะมีรูปแบบของเสียงที่คอยกระตุ้นสร้างอารมณ์พูดเสียงอย่างนี้เนี่ยเสียงด่าผูดเสียงนี้เสียงชมพูดเสียงนี้เสียงมีเมตตาพูดเสียงนี้เสียงระวังอย่ากบฏกิ่งใหญ่เดยวมัจะทําร้ายเราอะไรประมาณนั้น จะมีจะสร้างให้เรารู้สึกสันสาต่างๆเหมือกันที่เราต้องหนาวเนี่ยเราสร้างมันนั้นมันสร้างอีสร้างมันเองหมดแหละแล้วหนาวเราร้อนหรือแม้แต่อาการของร่างกายเนี่ยเราหิวเราเจ็บเราปูดเราเมื่อยเนี่ยเป็นรูปแบบที่ธรรมชาติสร้างเข้ามาทั้งหมดเลยพอสร้างรูปสร้างเสียงสร้างกลิ่นสร้างรสสร้างสัมผัสแล้วแล้วก็สั่างใจแล้ว ก็สร้างอะไจะตั้งแตการครับสร้างตาสร้างหูสร้างจมูก ส, สร้างลิ้นสร้างกายแล้วก็สร้างใจให้เป็นตัวเขจะรับรู้โลกใบนี้แล้วก็เข้าไปทางตาก็รูปก็เข้าทางตาเสียงก็เข้าทางหูเปลี่นก็เข้าทางจมูกรสก็เข้าทางลิ้นความสก็เข้าทางกายแล้วก็ทํากายไปเป็นอารมณ์ให้ใจรับรู้ทั้งหมดเขาจะไม่แยกกันไนดะ้ อย่างเช่นเราจะเอาเอาตาไปไปดมกลิ่นใช่ไหมไม่ได้มันไม่รู้เรื่องแต่แต่หินมันเป็นลักษณะนี้พอเราเข้าใจตรงจุงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อที่เราทุกวันนี่เรากินแต่ของเก่าดูดีๆนะกินแต่ของเก่าอารมณ์เก่าๆนั้ะอารมณ์เดิมๆโกรธมากี่ทีกี่ทีก็อย่างนั้นแหละไม่เคยมีอะไรพิเศษเหมือนเดิม เวลามีความชอบใจก็ความชอบใจเดิมๆแต่อาศัยสิ่งอื่นไปกระตุน้นมเจ็ก็อารมณ์ชอบใจตัวเดิมมาอันนี้เป็นอีกอเนกของนามธรรม ท, ทีนี้เป็นมีรูปแบบถ้าเราเข้าใจจริงๆพุกเ ร, เราจะฝึกยังไงฝึกยังไงเพื่อจะให้เราเข้าใจเราจะฝึกกับเราจะใช้อะไรมาฝึกเพื่อจะทําให้เราออกจากวัมสงสรารออกจากความงวนออกจากปัญหาออกจาก ความทุกข์ได้เนี่เราก็ต้องดูใช้มันมีรูปแบบของกลุ่มหนก็มีรูปแบบของปัจจุบัเช่นรูปแบบของสติรูปแบบของสมาธิรูปแบบของปัญญานีรูปแบบของอิริรูปแบบของอุตตมปารูปแบบของขันตินีรูปแบบต่างๆรูปแบบของเมตตารูปแบบของการ เยอะแยะนะมันจะเป็นรูปแบบทั้งสองสกลุ่มกลุ่มไฟล์กุศลกับกลุ่มไฟล์อกุศลที่มันจะเกิดขึ้นที่เราต้อง ส, งส่งเสริมฝ่ายกลุ่มกุศลขึ้นมาแต่ในรูปแบบทั้งหมดเนะี่ยมันจะมีรูปแบบตัวหนึ่งที่เป็นรูปแบบหลักรูปแบบหลักเลยนะในการที่จะควบคุมให้สิ่งเหล่า น, นี้ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป แต่อาศัยควบคุมด้วยด้วยเหตุปัจจัยคือรูปแบบของการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาไม่ตงมีการหายไปเขาเรียกรูปแบบของการนับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ลังไปอันนี้เป็นรูปแบบของรูปแบบใหญ่ที่คุมไปทุกเรื่องนะที่คุมไปทุกเรื่องคุมไปทุกสิ่งคุมไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วเป็นแล้ว อันนี้เป็นก่อนพระพุทธเจ้าเกิดยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็เป็นแม้แต่พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ปฏิพันไปแล้วมันก็จะเป็นอยู่เป็นอยู่อย่างเนี้เพราะนี่คือรูปแผนของโลกที่ควบโลกเอาไว้ไม่ให้อะไรมันเกินไปหรืออะไรมันน้อยไปไมันจะเกิดขึ้นใหม่ค อ, อยแต่ควบคุไมไว้ไม่ให้ปริมาณมันลงนมันก็เลยว่า รูปแบบของใจนั่นะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่คืออันเนี้ยเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่มันมีอยู่ก่อนและรูปแบบอีกตัวหนึ่งคือรูปแบบของใจอันเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเราตั้งใจจะไปพัฒนาใจกายมันพัฒนาไม่ได้แล้วละ่ะไม่ต้องไปพัฒนาเรามุ่งไปเะเด็นเราต้องการไปพัฒนาใจ เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตวิญญาณของเราเราต้องรู้จักรูปแบบของจิตใจเป็นยังไงและเราต้องฝึกต้องฝึกกับมันฝึกคุ้นเคยกับมันฝึกมีสติกับมันแล้รูปแบบของใจคือรูปแบบของของอะไรใจมีหน้าที่อะไร ใจมีหน้าที่รู้อารมณ์ไม่ใช่มีหน้าที่กําจัดอารมณ์ฟังดีๆนะและไม่ใช่มีหน้าที่เสพอารมณ์ด้วยใจนะมีหน้าที่รู้อารมณ์ไม่ใช่ไปกําจัดอารมณ์และไม่ใช่ไปเสพอารมณ์และตัวเนี้ยตัวใจก็คือตัวไห ภาษา <S <S เราเข้าใจง่ายใจขึกยุ่งสับเปล่ารู้เลยใช่บางครั้งเราเวลาเราภาวนาเราบางทีเราไปเอารูปแบบข้างนอกจนลืมรูปแบบข้างในจนลืมรูปแบบข้างในบางที่ไปเอารูปแบบข้างนอกมาและเอารูปแบบข้างนอกมาทั้งหมดะรูปแบบข้างนอกที่ครูบาอาจารย์สอน่ะดีหมดเลยดีหมดแล้วก็เสียหมดด้วย ไปด้วยกันถ้าทำไม่เป็นก็เสียหมดเขาทำดีแต่เราทำเสียเขาทำได้แต่เราทำแล้วไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักจักหลัลกรูปแบบทั้งหมดเลยมันดีหมดแล้วก็เสียหมดอยู่ที่ใครคนนไหนเอาไปใช้ยังไงมันเปมนกับเราเอาสิ่งในสิ่งหนึ่งไปให้คนคนหนึ่งใช้แต่คนนั้นไม่ใช้สู้เโทรศัพท์นี่นะั่นมันใช้ได้ แต่เราเราไปให้บนตาผู้ใจญ่ที่ได้รู้เรื่องใช่สิท่านบอกเอาให้คุณทําไมวะเฟื่องที่ไปไหนก็ไม่รู้เพราะทําไม่รู้จัก เ, เหมือนกันเนี่ยบางทีเราทำกรรมฐานบากอยาครูบาอาจารย์ท่านทํ า, ท า, ทาได้แต่เราทําไม่ได้เพราะเราทําแน้วเราไม่ได้ถูกยราต้องเข้าใจว่าที่เราฝึกเนี่ยเราต้องการฝึกรูปแบบสองตัวนั่นเองรูปแบบสองสิ่งคือรูปแบบของรู้ กับรูปแบบของธรรมชาติที่มันสิ่งดใดเกิดสิ่งันดับเราจะฝึกสองอย่างนี้ฝึกรู้การเกิดการดับฝึกรู้การเกิดการดับเพราะว่ารูปแบบของอารมณ์ต่างๆมันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาเลยมันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไป ม, มาแล้วก็ไ ป, ม ไ, ปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบไหน จะเป็นฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ช่างมันจะเป็นอ้กมาอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายที่เราพอใจชอบใจอยากได้อยากให้เกิดอยากให้มีอยากให้อยู่มันถึงเวลามันก็ดับไปหรือจะเป็นฝ่ายที่เราเกลียดมากมายไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มหีไม่อยากให้อยู่ไม่อยากให้พบไม่อยากให้เจอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ถึงเวลามันก็จะดับไปเองไม่มีใครไปทําอะไรมัน มันเป็นยันงไงมันจะอาศัยเหตุปัจจัยจึงเป็นจะให้เข้าใจกลุ่มสองกลุ่มนี้ชัดๆจะได้นําไปใช้ได้ที่เรากำลังฝึกเนี่ยรูปแบบของรู้นะฝึกรูปแบบของรู้สึกตัวที่เรากําลังฝึกเนี่ยไม่ใช่ฝึกสร้างจิตวิสัยจังหวะไม่ใช่ฝึกเดินจงกลมไม่ใช่ฝึกแบบ เราอาศัยรูปแบบของครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการฝึกและบางคนเนะี่ยบางคนไปทําพอครับพอทำแล้วพอได้ทําเดินจงกรมสร้างไเป็นกว่าสิบสี่จังหวัดหรือบางคนก็เวลาได้ทําพูดถูวก็รู้สึกว่าได้ปฏิบัติเวลาได้ทำสิบสี่จังหวัดก็รู้สึกปฏิบัติเวลาได้ทํายุหน้องฟองน้องก็รู้สึกว่าได้ปฏิบัติ ประเภทนี้ก็เรียกว่าประเภติดรูปแบบพอพอออกจากที่ไปก็ถือว่าฉันไม่ได้ไปฏิบัติแล้ปล่อยอันเนี้ยประเภทเนี้ยประเภทที่ไ ม, ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความจริง ก, การฝึกจริงๆเนี้ยมันไม่ใช่ฝึกรูปแบบภายนอกมันต้องฝึกรูปแบบภายในรูปแบบภายในคือฝึกรู้ ที่เกีบพูรู้สึกตัวเาจะพูดยังฝึกรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันมันมีไนยะไนยะที่แฝงไว้แฝงไว้ที่พอตราเกี่ยวดูคำพู้รู้สึกตัวบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกที่ตัวตัวกายเพราะเราชินกับตัวตนของเราอ่ะชินกับตัวตนของ เราคิดเราจะรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปรู้สึกที่ตัวกายแต่ในความเป็นจริงแล้วที่เราก็เรีว่าไปรู้สึกที่ตัวใจมั่ภาวะของไปรู้สึกตัวที่ตัวภาวะของผู้รู้ที่มันมีอยู่ะที่มันไม่เกี่ยวกับกายแต่อาศัยอยู่ในกายมันสามารถจะไปไหนก็ได้ทิ้งกายไว้ที่นี่แต่ไปเที่ยวที่อื่นก็ได้แต่ภาวะตัวนั้นนั้นภาวะของตัวรู้สึกตัวรู้เนี่ย มันต้องไปฝึกรู้สึกตัวที่ตัวใจดูสิขนานี้มานรับรู้อะไรรับรู้อะไรและแยกให้ชัดภาวะของรู้สึกตัวกับสิ่งที่ไม่ใช่รู้สึกตัวเรื่องภาวะของผู้รู้กับสิ่งที่ไม่ใช่ผู้รู้ เ, กเกนี่ยแยกให้ชัดๆวันคืนี่จิตสังเกตง่ายๆอะไรก็ตามเท่มันเป็นภาวะของการเกิดหายเป็นระดับเป็นระดั บ, เ, ดบเกิดแล้วหาย เกิดแล้วหายเกิดแล้วหายทั้งหมดนี่เป็นสภาวะของไตลัทธ์เป็นสภาวะของอณิจจังทุกขันอนาตาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปจะเป็นขวัดีขวัไม่ดีอะไรก็ช่างจะเป็นขวัยชอบใจไม่ชอบใจก็ช่างกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มของไตลัทธ์ เป็นกลุ่มของอานิจจัทุกขังอระรๆเป็นกลุ่มของอารมณ์ของโลกอารมณ์ของโลกไม่ใช่อารมณ์ของเรารู้จักให้ดีๆว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดปัญหาหรือแม้แต่ในใจเรานะคิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมารักชอบชังอะไรกันนี่เป็นอารมณ์ของโลกไม่ใช่อารมณ์ของเรา ไม่ใช่อารมณ์ของใจเราเลยมันเป็นอารมณ์ของรูปที่คอยอยากมาทำให้เราหล้แต่ถ้าเราทำเป็นมันก็ทำให้เรารู้ได้รู้ได้เราต้องรู้จักว่าภาวะของรูปแบบของตัวรู้เป็นยังไงรูปแบบของตัวรู้เป็นยังไงแล้วเราก็พัฒนารูปแบบของตัวรู้เข้าไปตัวรู้เราก็จะเกิดขึ้นมาและรูปแบบของตัวรู้คือรู้การเกิดการหา รูปนหละเออเห็นสิ er mm ่ง hmm. น like ี้มาแล้น uh> uh uh uh ับสิ่งนี้ไปแล้วนะเหมือนเราจะยินเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับตาเห็นรูปที่เกิดสีเกิดขึ้นแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นเกิดขึ้นแล้วก็ดับเลินรู้รสเกิดขึ้นแล้วก็ดับภาษาต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้บางทีอารมณ์รู้ธรรมะนั่นนี่มันก็เป็นอารมณ์ของรูปไม่ใช่เป็นอารมณ์ของ เรามีแต่หน้าที่ในการรู้เขาเสริมแล้วรู้ก็หายไปแล้วแค่นั้นรู้เพื่ออะไรเพื่อให้อารมณ์ของความหลงเข้าไปครอบงำหลงเข้าไปฉะนั้นเวลาเราฝึกปุ๊บเนี่ยเราสัง้งใตกันดีๆเราจะฝึกตัวภาวะตัวนี้เนี่ยคือให้รู้หัดรู้และภาวะหัดรู้เนี่ยเป็นภาวะของจิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้ที่ไม่มีอะไรมีแต่รู้เข้าไปรู้การเกิดการหายของสภาพะาองศของทั้งโลกทั้งนี้นแลแ้วจะแม้แต่ความคิดก็เป็นอารมณ์ของรูปมีแต่ไปยุกเขามานมันเป็นภาวะของมันอย่างนั้นนั่นเราพอเราเราฝึกปุ๊บเนี่ยเราใช้รูปแบบตัวนี้บอกแล้วว่ารูปแบบคือกระบวนการทำซ้ำใช่ไหมใช่ไหม แล้วก็รู้มันเรื่อยๆสิรู้มันเกิดมันหายไปอย่างนั้นแหะเนี่เป็นการฝึกกระบวนการทําซ้ําทางจิตใจอามาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วอยู่เรื่อยๆอะไรก็ช่างวออกมาแล้วไปแล้วคิดมาแล้วไปแล้วไม่ไปทำอะไรพยายามฝึกรู้การมาการไปการมาแล้วไปของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ มันมาแล้วมันไปมันมาแล้วมันไปมันมาแล้วไปเนี่ยเรียกรูปแบบภายในใจนให้มีสตินึก ถ, ถึงรูปแบบอันนี้ไม่ว่าจะไปทําอะไรที่ไหนเวลาไหนมันจะเป็นอากาลิโกแล้วก็ฝึกเรียนรู้ไปแล้วก็จะมีสองกลุก่มกลุก่มที่เราสร้างย้ํากลุก่มที่เราสร้างขึ้นมาที่เราสร้างรูปแบบที่วัวอาจารย์สอนสร้างเพูดซ้อม สอนฝึกรู้การเกิดการหายและอีกกลุมนึงที่เกิดเองเกิดเองหายเองแล้วก็เรียนรู้มันไปเรียเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเพื่อฝึกทักษะในการฝึกรู้ฝึกรู้การเกิดการหายการเกิดการหายของทุกสิ่งไปเรื่อยๆนี่เป็นรูปแบบของการฝึกรู้ แล้วเลยแม้แต่เราสร้างจังหวะเราก็เอาอุปกรณ์ในการสร้างจังหวะเนี่ยสนใจเห็นการเกิดเคลื่อนการเกิดการหายของการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหายไปเกิดขึ้นหายไปหรือแม้แต่สวดมนต์ที่แนะนําให้หัดหัดรู้เวลาเราสวดมนต์ก็สนใจการเกิดขึ้นของการสวดมนต์หายไปการสวดมนต์ที่ลักขณะหรือแม้แต่ฟังเสียงในกาเนี้ก็สนใจการเกิดขึ้นหายไปของเสียงที่มากระทบกับตัวเอง ตลอดจะเป็นเสียงพูดเสียงจิ้มหรือเสียงระไรก็ช่าที่เป็นตินเสียงที่มันเกิดขึ้นและหายไปเพื่อเป็นการกระตุ้นภาวะของการฝึกรู้ตรงนั้นขึ้นมาแล้วมันจะได้ประโยชน์ยังไงเมื่อฝึกรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่อ ย, เ, อ ย, เ, อยเป็นแบบนี้ใจเราเองที่หลงอารมณ์เพราะมันคิดว่ามันคิดว่าจะทําอะไรให้ดีกว่านี้มันจึงพยายามมันยพยายามจะหาความสุข แต่ทีนี้ได้ดิ้นก็ไปหาความทุกข์แต่เพราะมันเห็นสิ่งเหล่าเนี้ไร้สาระไม่มีประโยชน์มันเป็นแค่ภาวะหลอกลวงภาวะหลอกลวงเป็นแค่ภาวะขณะดเดียวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมันก็จะหยุดหยุดพฤติกรรมของการเี่เข้าไปยุ่งกับมันแค่ดูมันเฉยเฉยเวลามันมาแล้วมันจะฝึกรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยเข้าใจเฉยเฉยแล้วมันก็หายไปเฉยเฉย ไม่มีอะไรแค่นี้ยังบางครั้งเรงงไหมเรางงไปฝึกเอาแต่ความคิดไม่ฝึกรู้ในรูปแบบของมันชันจึงเน้นที่สุดคือให้ฝึกรูปแบบของรู้การเกิดการหายโดยแยกเราจะเห็นว่าตัวรู้ทำหน้าที่รู้แล้วตัวเกิดตัวหายทำหน้าที่แสดงเขง้ามาอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อทำอย่างนี้ได้ปุ๊ ตัวภาวนาที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นเราภาวนาทางด้านภายในคือภาวนาของการภาวนาอะไรพัฒนาใจท่านก็รู้ไปสิอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นตามหูจมูกเิ่นใจใจเดี๋ยวเนี้แค่นั้นเองมันยากหรือมันง่ายไม่ต้องไปทำมันดีสามมันทำให้เราอ่ะเราก็รู้ไปสิ นี่รู้เสร็จแล้วกเอาแต่คิดรู้เสร็จแล้วเอาแต่จัดการรู้เสร็จแล้วเอาแต่ต้องการรู้เสร็จแล้วเอาแอยากไม่รู้ตามความเป็นจริงสิ่ง น, นั้นมันไปแล้วก็ยังจะอยากไั้นอีกสิ่ง น, นั้นทั้งหมดไปแล้วก็ยังจะนได้อีกดังนั้นลองเข้าใจให้ดีๆว่าที่ฝึกฝึกรูปแบบของภาวะภายในนะ